ความหลังในสังสารบทที่1จากพุทธภูมิสู่มาตุภูมิขากลับสุทธิมักทัวพาคณะผู้สแสวงบุญมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานอินทิราคารที นครนิวเดลฮีกำหนดเครื่องออกจากท่าอากาศยานเวลาตีหนึ่งใช้เวลาบินสีชั่วโมงถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ6กโมงครึง่งตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจากเวลาอินเดียชั่วโมงครึง่งท่านพระครูได้ที่นั่งติด ก, กับหลวงพ่อวัดดอนเมืองเมื่อนักบินนำนกเหล็กยักษ์ทยานขึ้นสู่นภาอากาศได้สักครู่ ผู้โดยสารก็พากันหลับหลไม่ได้สติหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถือโอกาสจำวัดเพราะเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถมาหลายวันคงมีแต่ท่านพระครูจเจริญวัดป่ามะม่วงที่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อชมความงามของท้องฟ้ายามราตรีประเดี๋ยวหนึ่งก็เกิดความคิดขึ้นว่าเราอยู่ในที่สูงคงชิดสวรรค์ชั้นฟ้า น่าจะสวดมนต์อุทิศ ส, ส่วนกุศลให้พวกเทวดาเพื่อเครื่องบินตกจะได้ไปขออาศัยอยู่ในวิมานพระอินทร์ท่านคิดตลกแล้วจึงหลับตาและเริ่มสวดมนต์บทเมตตาพรมวิหารภราวนาที่ท่านเรียกติดปากว่ามหาเมตตาใหญ่เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนแม่ชีก้อนทองปานเนนมาขออาศัยอยู่ที่วัดป่ามะม่วง ท่านให้อยู่บนศาลาหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีเทวดามาชวนสวดมนต์บทนี้ทุกคืนเวลาสองยามกับหนึ่งนาทีจนแม่ชีจำบทสวดมนต์ได้ทั้งที่ยาวมากและแม่ชีก็อ่านหนังสือไม่ออกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวัดป่ามาม่วงท่านได้เก็บข้อมูลและตรวจสอบจนรู้ที่ไปที่มา อย่างเรื่องเทวดามาชวนแม่ชีสวดมนต์ทุกคืนท่านก็ได้พิสูจน์แล้วว่าแม่ชีไม่ได้หลงไหลเลอะเลือนเพราะความชลานอกจากนี้ท่านยังค้นหาบทสวดมนต์นี้จนพบที่วัดสุทัศน์พระมหาสเสงี่ยมให้ท่านยืมมาคัดลอกไว้แล้วนำไปคืนในวันรุ่งขึ้นเพราะทางวัดให้ยืมมาวันเดียวประมาณส5นาที เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็สวดมหาเมตตาใหญ่จบสมัยที่ท่านให้แม่ชีก้อนทองสวดให้ฟังโดยท่านดูตามหนังสือที่ขอยืมมาจากวัดสุทธัศน์ใช้เวลาถึงสมชั่วโมงการที่ท่านสวดได้เร็วกว่าแม่ชีถึงสองชั่วโมงกับ15นาทีเพราะท่านสวดในใจหนึ่งท่านสำเร็จฌานสมบัติจึงมีสมาธิดีหนึ่ง ประการสุดท้ายท่านรู้ภาษาบาลีจึงเข้าใจความหมายในบทสวดได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจากนั้นท่านจึงแผ่เมตตาให้ทวยเทพทุกชั้นภูมิทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสมัยที่ท่านเป็นเด็กซุกซนท่านไม่เชื่อสักนิดว่าเทวดามีอยู่ไม่เชื่อเรื่องพระเวสสันดร เถียงโยมยายคอเป็นเอ็นว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกต่อเมื่อได้พิสูจน์ด้วยตนเองทุกอย่างทุกประการแล้วจึงได้เชื่อและที่สำคัญกว่านั้นคือนับตั้งแต่เข้ามาสู่เพศบรรพชิตได้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างอุกฤษจนเกิดศรัทธาแม่นมั่นไม่สั่นครอน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 หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างแล้วการมาแสวงนบนุญณดแดนพุทธภูมิในครั้งนี้ทำให้ท่านได้รู้ตระหนักและประจักษ์ในพระมหากรุณาของพระบรมศาสดา ที่ทรงมีต่อเวเนยนิกรทั้งหลายในระหว่างเวลา45ปีแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจได้เสด็จไปประทับจังพรรษาณสถานที่ต่างๆนับแต่พรรษาแรกทรงประทับที่ป่าอิสิ ป, ปตนามลึกคาทยวันใกล้นครพาราณสีโปรดพระปัญจวคียาสะกุลบุตรและสหายอีกสี่คน ชาวชนบทห้าสิบคนท่านเหล่านี้ได้สำเร็จพระอรหันต์ในพรรษาแรกแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจนั้นเลยทีเดียวและเมื่อออกพรรษาทรงสมพระอรหันตสาวกทั้งหกสิบองค์นี้ไปประกาศพระาศาสนาด้วยพระดำรัสว่าจรถฐพิกเวจาริกังพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุ ก, กรรมปายะ อัายะฮิตายะสุขายะเทวะมนุษยานังภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ถ้าจำไม่ผิดพระดำรันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่สี่ ข้อที่32หน้าที่39แต่ถ้าจำผิดก็แปลว่าจำไม่ถูกท่านคิดอยู่แต่ผู้เดียวด้วยว่าคนอื่นๆเขาพากันหลับหมดเราจะต้องดำเนินตามรอยบาทพระศ า, าสดาเสด็จพ่อของเราทรงบำเพ็ญพุทธกิจโดยไม่ย่อท้อต่อความลำบากจะเหนื่อยยากพระวรากายเพียงใดก็ไม่ทรงท้อ สมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกทราบซึ้งตรึงจิตในพุทธกิจที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญและตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาผู้ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนับแต่พรรษาแรกแห่งการตรัสรู้ส่วนท่านแม้จะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในพรรษาแรกแห่งการดำรงสมณนะ ประมั ว, วุ่นครุ่นกังวลอยู่กับเรื่องทางโลกพอครบพรรษาก็หาเลิกศึกจนจับพัดจับปผูไปอยู่กับหลวงพ่อเดิมที่วัดหน้องโพโดยมีจุดมุ่งหมายคือต้องการไปขอเลิกศึกหากก็ไม่ได้ศึกมาจนทุกวันนี้ด้วยว่าได้เห็นจริยวัดอันงดงามของหลวงพ่อเดิมทําให้ท่านประทับใจและตั้งใจจะดําเนินรอยตามให้จงได้ เสียงกลนเบาๆของหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับเสียงกลนดังๆของผู้โดยสารบางคนไม่ได้ทำความรำคาญให้กับภิกษุวัย้57ท่านยังคงระลึกนึกถึงการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าในระหว่างเวลา45ปีด้วยความประทับใจและเลื่อมใสศรัทธายอย่างสูงสุดนับแต่พรรษาแรกจนถึงพรรษาสุดท้าย พระโลกนาฏมิได้เคยว่างเว้นกิจที่สมบำเพ็ญเพื่ออนุเคราะห์เวนัยนิกกรทั้งหลายเลยในพรรษาที่45อันเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจทรงจำพรรษาที่เวลุวะคามนครเวสาลีพระองค์ประชวนหนักแทบจะปรินิพานทรงอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนา มีพระดำริว่าจะต้องบอกกล่าวเล่าความแก่บรรดาอุปถากและแจ้งลาสงก่อนครั้นออกพรรษาแล้วก็เสด็จไปจนถึงนครสาวัตถีช่วงเวลานั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทูลลาขอพระพุทธานุญาตเพื่อกลับไปปรินิพพานที่บ้านเกิดของท่านคือนาลันทกาคามหรือนารันทา จุดประสงค์สำคัญที่พระธรรมเสนาบดีต้องการไปปรนิพานที่บ้านเกิดของท่านก็คือต้องการจะไปโปรดนางรูปสารีผู้เป็นโยมารดาด้วยเหตุผลที่ว่านางเป็นเนียตามิจฉาทิฏฐิมาตลอดชีวิตผู้เห็นผิดเป็นนิดนั้นย่อมีนรกเป็นที่ไป ท่านจึงต้องช่วยโยมารดาของท่านไว้ด้วยรำลึกในพระคุณหลังจากโปรดโยมารดาจนนางได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระธรรมเสนาบดีแก้วจึงประนิพานพระจุทธาเทระน้องชายของท่านได้นำอัติธาตุของพี่ชายมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์โปรดให้สร้างธาตุเจดีของพระธรรมเสนาบดี ที่พระเชตวันมหาวิหารโอ้ว่าพระอัครส า, าวกเบื้องขวาลาลับแล้วเอตะทักคะในทางมีปัญญามากปรินิพานเสียแล้วหลังจากนั้นพระโลกนาสเสด็จลงมายังนครราชคฤห์ตรงกับช่วงเวลาที่พระมหาโมคคลานะปรินิพานพระเทระองค์นี้เป็นพระอัครส า, าวกเบื้องซ้าย ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคขะในทางมีลิทธ์มากท่านถูกพวกโจรซึ่งได้รับจ้างจากพวกเดรธีลอบสังหารด้วยการทุบตีจนร่างแหลกพระพุทธองค์โปรดให้สร้างท่าเจดีย์ของท่านไว้ใกล้สุ้มประตูวัดเวลุวันในเขตนครราชคลีเป็นอันว่าพระอรหรสาวกทั้งสองปรินิพานก่อนพุทธปรินิพาน จากนครราชคฤพระโลกกนนาเสด็จต่อขึ้นไปยังนครเวสาลีประทับที่คูตะการศาลาป่ามหาวันเมื่อบรจบครบสี่เดือนนับแต่ออกพรรษาสุดท้ายที่เวลุวคามก็ทรงปรงพระชนมายุสังขารที่ป่ามหาวันนั้นว่าอีกสามเดือนข้างหน้าจะปรินิพานคลั้นใกล้ครบเวลาสามเดือน เช้าวันหนึ่งก็ได้เสด็จเข้าไปบินทบาทในนครเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายคิดคำนึงถึงตอนนี้สมภารผู้รักพระาศาสดายิ่งกว่าชีวิตเกิดธรรมสังเวทอย่างใหญ่หลวงถึงกับลาพึงในใจว่าเสด็จพ่อของเราช่างประเสริฐเลิศล้ำนักทรงบําเพ็ญพุทธกิจเป็นนิจจศีลมิได้พักจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพ ข้าพระองค์ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ ว, ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของสักยาบุตรพุทธโอรสอย่างเต็มความสามารถจากนั้นจึงคิดคำนึงถึงเสด็จพ่อต่อไปอีกเมื่อพระโล ก, กนาเเด็จกลับจากบินทบาท พระองค์ทอดพระเนตรนครเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายโดยนาคาวโลกคือการเหลียวมองอย่างพยาช้างจากนั้นเสด็จออกจากเวสาลีผ่านพันดครมหัตถิกรา ม, รามอามัมพคารมชัมพุครมและโพคนครตามลำดับจนถึงปาวานนคร ประทับ พ, พักแรมที่อัมพะปวันของนายจุนทะกรมารบุตรรุ่งเช้าเป็นวันวิสาขบาูรณะมีคือวันขึ้น15้าข้ามเดือนหกพระโลกนาเสด็จพร้อมภิกษุสงฆ์ไปฉันพัฒหารที่บ้านของนายจุนทะตามที่ได้รับนิมนต์ไว้นายจุนทะถวายสุกรมัวะหลังจากเสวยแล้วทรงอาพาธหนักถึงลงพระโลหิต หาก็เสด็จต่อไปอยังกุสินารานะครผ่านแม่น้ำกกุฏทานนาทีไปถึงแม่น้ำหิรัญยวดีเสด็จข้ามแม่น้ำสายนั้นเข้าไปประทับในาสารวโนทยานของมรลกษัตย์แห่งกุสินารานะครบรรทมโดยสีหะสัยยาคือนอนอย่างรัชสีโดยบรรทมตะแคงขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาท พระหัตถ์ซ้ายพาดไปตามพระวรกายพระหัตถ์ขวาซ้อนพระเสียรและเสด็จดับขันทัปปรินิพานภายใต้ต้นสาละคู่ในราตรีแห่งวิสาขะปุรณมีเมื่อพระชนมายุ80พรรษาบริบูรณ์สาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาเสียงคุ้นหูดังอยู่ใกล้ๆท่านจำได้แม่นยำน้ำเสียงกังวานกล้องอย่างนี้ม่ใช่ใครหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านนั่นเองหลวงพ่อมาตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยแล้วมีตัวหรือเปล่าท่านถามปนยาวคนอย่างเราไม่จาเป็นต้องมีตัว หลวงพ่อในป่าตอบด้วยเสียงดังกังวานก้องหากผู้ที่ได้ยินมีเพียงผู้เดียวคือสมภารวัดป่ามะม่วงสิทธิ์ของท่านแล้วอาจารย์กับสิทธิ์ก็ใช้ภาษาจิตสนทนากันหลวงพ่อครับการไปแสวงบุญครั้งนี้ผมได้ประโยชน์มหาศาลเลยครับผมประทับใจในพระธถาคตที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง นับตั้งแต่พรรษาแรกแห่งการตัดสรุปกระทั่งพรรษาสุดท้ายทรงเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมของมนุษ ย, ยชาติผมเห็นแล้วครับว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วแม้เทวดามารพรหมก็ยังน้อนมนมัสการหลวงพ่อในป่าช่วยเสริมว่าเพราะเหตุนี้เองพระตถาคตจึงตรัสสอนว่า ทันโตเศษโทมนุสเสสุในหมูมนุษย์คนประเสริฐสุดคือคนที่ฝึกแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเล่มที่25ข้อที่33หน้าที่57ครับสิทธิ์บอกที่มาของพระพุทธวจนะที่อาจารย์อัญเชิญมาเราไม่ได้ถามและก็ไม่ได้คิดจะถามแต่เรากำลังจะบอกเธอว่า เดี๋ยวนี้คนประเสริฐหายากแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็หาที่ประเสริฐยากมากเพราะเขาไม่สนใจที่จะฝึกท่านพูดความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ใคร่ยอมรับแต่ผมเป็นคนที่ฝึกแล้วนะครับหลวงพ่อผมผ่านการฝึกมาครบถ้วนกระบวนการฝึกด้วยระบบไตรสิกานะครับข้อนั้นเรารู้แล้วและกำลังจะบอกเธอว่า เธอจะต้องทำหน้าที่ฝึกผู้อื่นด้วยเธอตั้งปณิธานไว้ไมิใช่หรือว่าจะดำเนินรอยตามเสด็จพ่อของพวกเรานั่นแหละขอให้เธอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าเราต้องทำเราต้องทำถ้าเราไม่ทำใครจะทำครับผมต้องทำผมต้องทำ ถ้าผมไม่ทำแล้วใครจะทำแม้จะสนทนากันด้วยภาษาจิตท่านก็ยังติดตลกหลวงพ่อในป่าไม่สนใจกับภาษาจิตติดตลกของสิทธิ์หากพูดเป็นการเป็นงานว่าที่เรามาพบเธอก็เพื่อจะมาให้กำลังใจหรอกนะเธอต้องภาคเพียรเรียนรู้สู้สิ่งยากเพราะสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นเรื่องยาก แต่เธอก็ต้องทำโลกกำลังจะเปลี่ยนมิติพวกสัตว์นรกเกิดกันมากเธอรู้ไว้เธอว่าคนที่เกิดหลังปี 2,500 ส่วนใหญ่มาจากนรกที่มาจากสวรรค์นั้นมีน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มาจากนรกจะเลวไปเสียหมดเพราะที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีก็มีมากในทำนองเดียวกัน คนที่มาจากสวรรค์ก็ใช่ว่าจะดีหมดทุกคนบางคนก็มาสร้างกรรมชั่วเรียกว่ามาสว่างไปมืดถึงผมจะมามืดแต่ไปสว่างนะครับหลวงพ่อสิทธิ์พูดอย่างรู้สึกว่าถูกอาจารย์ว่าเธอไปสแสวงบุญที่ไหนมาหรือจูจ่ๆอาจารย์ก็เปลี่ยนเรื่องสนทนาแดนพุทธภูมิครับ นอกจากเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าแดนพุทธภูมิแล้วน่าจะเรียกว่าแดนพระอรหันต์เพราะว่าเป็นที่เกิดของพระอรหันต์หลายแสนรูปมีทั้งบุรุษและสตรีผมหมายถึงในสมัยพุทธกาลนะครับหลังพุทธกาลพระอรหันต์เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆจนปัจจุบันไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าแล้วเธอรู้ไหมว่า ภาวะสามประการของพระอรหันต์มีอะไรบ้างหลวงพ่อในป่าถามท่านพระครูผู้เป็นสิทธิ์มีภาวะทางปัญญาได้แก่วิชาภาวะทางจิตได้แก่วิมุตและภาวะทางความประพฤตคือการดำเนินชีวิตได้แก่กรุณานี่คือภาวะสามประการของพระอรหันต์ครับภาวะสามประการที่กล่าวมานี้เธอมีครบหรือยัง อาจารย์ถามอีกผมไม่ขอตอบนะครับแต่จะขออนุญาตอธิบายขยายความภาวะสามประการของพระอระหันต์หรือภาวะของผู้บรรลุนิพพานมีดังนี้ข้อหนึ่งภาวะทางปัญญาซึ่งได้แก่วิชาคือรู้เท่าทันสังขารรู้ซึ่งในไตรลักษ์มองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง ไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นไม่ต้องพึ่งผู้อื่นในทางปัญญาเพราะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่แนะนำผู้อื่นให้รู้ตามข้อสองเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอพูดว่ารู้ซึ้งในตรายักษ์นั้นตรายักษ์มีอะไรบ้างอาจารย์ถามก่อนที่สิทธิจะอธิบายข้อต่อไปท่านรู้ว่าสิทธิรู้ทุกเรื่อง แต่ที่ต้องถามเพราะเป็นกุศโลบายในการสอนไตรลักษณ์ก็มีอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเรียกง่ายๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาการที่เรานําเรื่องไตรลักษณ์มาพูด ก็เพื่อจะบอกกับเธอว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะมีพระแผลงแผลงเส่อเสอโซนๆมาเปลี่ยนไตรลักษณ์จากอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาเรื่องนี้เธอมีความเห็นอย่างไรเขาเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับเพราะไตรลักษณ์เป็นพระปรัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเปลี่ยนก็เท่ากับเขาไม่เชื่อมั่นในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่รู้ว่ามาบวชให้บาปทำไมกันต่อไปธรรมนิยามข้อที่ว่าสัพเพธรมมาอนัตตาก็ต้องเปลี่ยนเป็นสัพเพธรรมาอัตตาแล้วแบบนี้จะไปสอนญาติโยมอย่างไรมิคว ẩ ยเขวนอกลูก่นอกทางกันหมดหรือหลวงพ่อว่าไหมครับว่าอะไรเธอจะให้เราว่าอะไรหรืออาจารย์เริ่มยาวสิทธ ย้าวตอบว่าก็ว่าพระที่แผลงแผลงเสื้อเสื้อสนๆคนนั้นล่ะครับสิทธ์ตั้งใจใช้คนนั้นแทนรูปนั้นเพราะถ้าคิดจะเปลี่ยนสัจธรรมให้เป็นอื่นก็ไม่สมควรจะเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสท่านจึงไม่ยกย่องเพรา ะ, ะเสด็จพ่อตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่2442 หน้าที่532ว่านิคันเหนิคขหารหังปักคันเหปักขหารหั ง, หหหงพึงคมคนที่ควรคมพึงยกย่องคนที่ควรยกย่องต่อข้อสองได้แล้วอาจารย์บอกเมื่อเห็นสิทธิเริ่มจะร่ายยาวขออีกนิดเถอะครับคือเรื่องไกลลักที่เขาจะเปลี่ยนอนัตตาเป็นอัตตนั้น ผมมั่นใจว่าเขาไม่สามารถทําให้คนอื่นเชื่อตามได้ทั้งหมดเพราะคนที่มีปัญญาบารมีเขาจะไม่เชื่อสิทธพูดแบบมองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงถ้าอย่างนั้นเราขอถามต่ออีกนิดว่าในโลกนี้คนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากันคำถามแบบนี้มีมันตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาลแล้วนะครับหลวงพ่อ ที่สัญชัยปริพาชกถามท่านอุปติสฐ์ด้วยคำถามเดียวกันนี้ตอนที่ท่านอุปติสะกับท่านโกริตะมาชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่สัญชัยปริพาชกไม่ยอมไปด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นอาจารย์อยู่ดีๆจะให้ลดตัวลงไปเป็นสิทธิเสียศักดิ์ศรียอมรับไม่ได้แล้วจึงถามท่านอุปติสะว่าในโลกนี้ คนโง่กับคนฉลาดอย่างไหนมีมากกว่ากันท่านอุปติสสะตอบว่าคนโง่มีมากกว่าสัญชัยปริพาชกจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นคนฉลาดจงไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าที่แกพูดเช่นนี้เพราะต้องการให้คนจำนวนน้อยไปคนจำนวนมากอยู่กับแกแกจะได้ค่าสอนมากๆปรากฏว่า มีคนตามท่านอุปติษะและท่านโกริตะไปสองร้อยห้าสิบคนสัญชัยปริพาชกแกเสียใจจนลมจับแล้วก็อาเจียนเป็นโลหิตต่อไปถ้าเธอจะนำเรื่องนี้ไปสอนสิทธิ์เกิดข้อถามว่าสัญชัยนามสกุลปริพาชกหรือเธอจะตอบว่าอย่างไรผมก็จะตอบว่า ปริพาชกไม่ใช่นามสกุลของสันชยัยแต่หมายถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าปริพาชิกานักบวชพวกนี้ชอบสัญจรไปในที่ต่า ง, างเพื่อเผยแพร่ทัศนะทางศาสนาและปรัชญาของตนบ้างก็ตั้งเป็นสำนักสอนอย่างสันชัยปริพาชกแกตั้งสำนักสอนลัทธิอยู่ใน น, ค, นรครราชคลี มีสิทธิมากมายท่านอุปติสสะและท่านโกลิตะก็เคยบวชอยู่ในสำนักนี้ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกท่านจึงพากันไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าพร้อมสิทธิอีก250คนหลังจากบวชแล้วท่านอุปติสสะได้นามตามชื่อมารดาว่าสารีบุตรส่วนท่านโกลิตะก็ได้นามตามชื่อมารดาว่า โมฆะลานะที่เราพูดเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกกับเธอว่าในอนาคตคนฉลาดจะมีน้อยลงไปอีกทุกหนทุกแห่งแหล่งที่จะมีแต่คนโง่แล้วคนโง่ก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนฉลาดนี่ว่ากันในทางโลกก่อนคนฉลาดในทางโลกก็คือคนอย่างสรญชัยปริพาชกนี่แหละ คนพวกนี้จะสอนเพราะต้องการลาบสการะซึ่งสมัยนี้เรียกว่าค่าจ้างคนมาเรียนก็ต้องการลาบสการะคือนําวิชาความรู้ไปหากินในทางโลกสร้างความร่ํารวยให้กับตัวเองพอรวยแล้วก็หลงคือหลงลาบหลงยศอยากเป็นใหญ่ก็จะเอาเงินมาซื้อลาบยศและทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ทางโลก คนจะรับจ้างทําชั่วเพื่อเงินและเธอคิดไม่ว่าโลกจะสับสนโอนละมานสังคมจะอนลวนอนละเวงสักเพียงใดมนุษย์จะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนเข็นฆ่ากันเพราะเงินเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันยังไม่พอยังเบียดเบียนทําร้ายธรรมชาติอีกด้วยต่อไปธรรมชาติก็จะทําร้ายมนุษย์บ้างและจะมาตีโพยตีพายว่าธรรมชาติใจร้ายไม่ได้ เพราะธรรมชาติเป็นของที่เกิดเองตามวิสัยของโลกเช่นคนสัตว์ต้นไม้เป็นต้นมนุษย์ทำรายธรรมชาติก็เท่ากับทำร้ายตัวเองรู้สึกว่าหลวงพ่อเทศกันยาวเลยนะครับนี่อาจารย์ถูกสิทธิ์ยาวจะกันยาวหรือกันสั้น ก็สำคัญทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องที่เธอต้องทำและทำโดยความปล่อยวางเอาละทีนี้ก็จะเทศกันสั้นเธอจะสรุปว่าคนที่มุ่งแต่จะหาเงินอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องบุญทานแม้เขาจะร่ำรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถนำไปซื้อสวรรค์นิพพานได้เผลอๆตายไปก็ต้องตกนรก เพราะเงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์โปร่งใสจึงสรุปว่าคนที่ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีส่วนมากไม่ได้ไปดีศา ส, สนาคริสสอนว่าอูดลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนร่ารวยเข้าแผ่นดินสวรรค์หลวงพ่อรู้จักศาสนาคริสด้วยหรอครับแล้วศาสนาอิสลามหลวงพ่อรู้จักหรือเปล่าสิทธิ์เย้าอาจารย์ ทั้งที่รู้ว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างที่ต้องการรู้ศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามเรารู้จักทั้งนั้นในอนาคตการแบ่งแยกเกียกันทางเชื้อชาติและศาสนาจะหมดไปบรรดาศาสนิกไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพรามหมณ์ฮินดูหรือซิกจะเรียนรู้กันและการเกิดสมาณชันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อโลกเกิดภัยพิบัติอีก25ปีข้างหน้าภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นอนเอาละต่อข้อสองได้อาจารย์สั่งเมื่อสิทธิมีท่าทีว่าจะถามอีกข้อสองภาวะทางจิตของพระอรหันต์ได้แก่วิมุตติคือจิตเป็นอิสระพ้นจากการผูกพันเพราะดับกิเลสได้หมด ไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสพ้นจากการบงการครอบงามของกิเลสทั้งหลายไม่มีเรื่องกังวลใจไม่มีเรื่องกลุ้มกังวลไม่หงุดหงิดง่ดงนง่านไม่ง้อยเหงาเบื่อหน่ายไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งต่อภัยใดๆมีจิตใจสงบเป็นสุขไร้โศกปลอดโปร่งพองใสเยือกเย็นเ อ, อิบอิ่มสันโดษ มีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีสุขภาพจิตดีผมขอยกตัวอย่างพระอรหันต์องค์หนึ่งคือท่านอุปเสนาเถระน้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระท่านไม่สะดุ้งกลัวต่อภยัยใดๆแม้มรณะภยัยท่านปฏิบัติอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าศีตะวันอันเยือกเย็นเพราะศีตะแปลว่าเยือกเย็น แต่ท่านไม่เป็นทุกข์ไม่ว่าอากาศจะหนาวเหน็บเยือกเย็นสักเพียงใดเมื่อปฏิบัติอยู่ถูกงูพิษกัดขณะพิษมีฤทธิ์ร้ายแผลซ่านอยู่ในกายท่านไม่แสดงอาการหวาดกลัวหรือวิตกกังวลใดๆแต่ท่านบอกเพื่อนภิกษุที่ปฏิบัติอยู่ได้กันว่าให้หามท่านออกไปไว้นอกถ้ำ เพื่อไม่ให้กลิ่นเน่าเหม็นจากซากศพของท่านรบกวนผู้ปฏิบัติข้อ3ภาวะทางความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตได้แก่กรุณาพระอรหันตะกีนาศพไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนอีกจึงทำเพื่อผู้อื่นและทำด้วยจิตที่ปราศจากอวิชชาตัณหาอุปทานอันเป็นเหตุให้เกิดวัฏฏะคือวงจรแห่งทุกข์ การดำเนินชีวิตที่เหลือของพระอรหันต์จึงเป็นไปเพื่อผู้อื่นโดยตลอดมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นพระมหากัสริเทระผู้เคร่งครัดในทุดงควัดสามประการคือนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดเที่ยวบินธบาทเป็นวัดและอยู่ป่าเป็นวัดพระาศาสดาทรงยกย่องว่า ท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษเสมอพระองค์เป็นผู้ไม่ ย, ยึดติดตระกูลใดๆวางใจเป็นกลางว่าผู้ใคร้ลาบจงได้ลาบผู้ใคร้บุญจงได้บุญท่านเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณาปรารถนาความสุขต่อผู้อื่นปกติท่านเข้าชาญเป็นประจำเมื่อออกจากชาญแล้วจะไปโปรโดคนยากจนที่ท่านเห็นว่า ควรโปรดเพราะมีหลักว่าทานที่ถวายแก่พระผู้ออกจากฌานใหม่ๆมีอานิสงฆ์มากเอาละ่ะทีนี้เธอก็รู้แล้วสินะว่าเธอจะต้องทําอย่างไรบ้างชีวิตที่เหลือของเธอจะเป็นไปเพื่อผู้อื่นมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงตอนนี้ที่วัดของเธอมีผู้อื่นมารอเธอเต็มวัดเลย เธอคงต้องเหนื่อยหน่อยนะแต่ต้องทําอย่าลืมที่เราบอกให้เตือนตัวเองเสมอว่าถ้าเราไม่ทําใครจะทําครับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อต้องช่วยผมนะครับอย่าทอดทิ้งผมให้ต้องเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่บนปลายโลกร้างนะครับคราวนี้ท่านอ้อนซอลลี่เสียใจเราไปละหลวงพ่อในป่าบอกลา อย่าเพิ่งไปสิครับผมขอถามอีกข้อเดียวเท่านั้นเงียบไม่มีเสียงตอบจากหลวงพ่อในป่าแสดงว่าท่านไปแล้ว